ืน <c oughs> ม, มาพร้อมกันหมดทุกคนหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วก็ตั้งใจฟังวันนี้ก็จะได้เปิดเสียงทำฝึกนั่งสมาธิจากเครื่องบันทึกเสียงแต่ก่อนหน้านั้น จะพูดถึงเหตุผลที่ไปที่มาชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์คนเรามีสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมนุษย์คนเราไม่ต้องการอันนั้นคือความไม่สบายทางร่างกายและไม่สบายทางจิตใจ หรือทุกข์กายทุกข์ใจหลักคำสอนของระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อพวกเราเข้าใจอย่างนี้เชื่ออย่างนี้บ่อทุกข์ให้กำหนดรู้ทีนีทุกข์ทางกายจะมากจะน้อยทุกข์ทางใจจะมากจะน้อยระพุทธเจ้าสอนว่าให้กำหนดรู้ คือเรียนรู้นะรู้ว่ามันเป็นทุกข์จริงจริงมันไม่ดีจริงจิงไม่น่าต้องการไม่น่าปรารถนาจริงๆิให้กำหนดรู้ให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วทุกข์ทั้งหลายนี่มันมาจากเหตุที่ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นเฉยๆนะ มันมีเหตุเหตุที่ทําให้ทุกเกิดทุกเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากเหตุอันนั้นอนะมันมีในใจของพวกเราพวกเราเข้าใจตรงนี้มากน้อยขนาดไหนพวกเราระวังตรงนี้มากน้อยขนาดไหนที่ตาพุทโธเจ้าจดสังเกตเสียเหตุให้เกิดทุกขน์นะ ภาษาที่พวกเราเคยพูดจูเหตุที่เกิดทุกข์คืออารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความหลงฟังแต่ชื่อมันเป็นไรจริงเหนนี้มันมีอยู่ที่ใจใจก้องไข่กระใจของเราเนี่เแหละมีโลภโกรธหลงเรายังไม่พอทีเนี้ย ยังมีตัณหาเข้าไปอีกมันน่าสนใจน่าศึกษาน่าจะทำความเข้าใจนะตัณหามันเป็นลักษณะไหนตัณหาเป็นลักษณะที่แสดงออกทางความรู้สึกทางจิตใจอันหนึ่งกามมาตัณหาอารมณ์เท นักบวชจะบวชอยู่ไม่ได้แต่เพราะบ้าตัวนี้เหล๋ยวมันคิดขึ้นตัณหาตัวนี้เหลยวประชาชนทุกระดับชั้นในบ้านในเมืองในประเทศไม่ทั่วโลกแั่อารมณ์บ้าตัวนี้เลี๋ยว k า r ม, มาตัณหาอารมณ์ ความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอารมณ์มันเกิดความยินดีจะเลวรกันขนาดไหนถ้าว่าตามสื่อฟังตามสื่อฟังตามข่าวโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้ เด็กผู้หญิงยังม่ได้อายุยังไม่โตอะไรเท่าไหร่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแห่ก็ไปออกลูกแล้วชั่วโมงหนึ่งสิบห้าคนแล้ววันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงเถอววันหนึ่งมีสิบสองชั่วโมงเอาสิบสองไปคูณ ด, ดูสิเอว แล้วกลางคืนเนี่ยเนี่ยกั้งวันกลางคืนยี่บสี่ชั่วโมงแห่ก็ไปออกลูกหน่อยแล้วทำแท้งกันไม่ได้ลงรายการเลยสิเนี่ยเพราะมันมากต้มากมันรุนแรงแล้วร้ายันาดไหนะนบ้าจิเลตตัญหาที่มีในใจ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มนุษย์ทั้งหลายได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาที่ไปที่มาเกตมันเกิดทุกทางกายทางใจถ้าเพื่อต้องการโรคมนุษย์ในปฏิเสธไม่ได้เรื่องเหล่านี้แต่ให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้ขึ้นมีขึ้นในทางที่ถูกถนนันเนในทางที่ดี พบกันก็รู้จักรักษารักนวลสงวนดีผู้หญิงอยู่กับผู้ชายผู้ชายอยู่กับผู้หญิงรู้จักกันรู้จักกันในลักษณะที่ทำยังไงที่ไม่เสียเปียบเสียง่เป็นเยื่ออาหารของอารมณ์เพศของเขาแย่งยุคนี้สมัยนี้สับเชื่อเขาเรียกอะไรอ่ะแฟนใช่ดีกว่า ตีมีแฟนแล้วแฟนหมายคว่าไงมีแฟนนแฟนหมายควมว่าไงมีครอบครัวแล้วผู้ชายก็เรียกผู้หญิงว่าแฟนของผมผู้หญิงเรียกผู้ชายว่าแฟนของฉันก็มีครอบครัวแล้วนั่นแหะ อันนี้ตัวเองเลสิบ ก, กว่าปียี่สิบกว่าปียังไม่ได้แต่งงานแปนไหนก็ว่ารักนวลถวันดีรักน ว, นวนลถวงานนี่ ล, ลักษณะที่พระพุทธเจ้าห้ามศส้นข้อที่สามนะห้ามอะไรข้อที่สามทำสอนให้เข้าใจเหตุ ที่ไปที่มาศาักสีความดีต้องควรมเป็นมนุษย์โดยเฉพาะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นสาวเป็นนางควรจะเป็นบุคคลที่ดีมีศักดิ์มีสีสรักนวลสงวนงามอย่าให้ไปยินดีกับอารมณ์การ ม, มติหาอารมณ์เพศอย่างที่ว่านี้ถ้าพุทธเจ้าบฏิห้ามถ้ารักนวนสงวนดีรักนวลสงวนงาม ไม่า ใ, ให้เขาร่วงแล้วเมิดถ้าเขาต้องการจะเนี่ยขนบธรรมเนียมประเพณีมันมีอยู่มาลองขอแต่งการแต่งงานมามั่นแต่งการแต่งงานลองขอแต่งการแต่งงานเขารับผิดชอบแล้วอยู่ด้วยกันไปจะเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรอ่ะสิมีลูกกี่คนกี่คนก็มีไปสิ จะมีใครรังเกียจจะมีใครห้ามคุณนะ่อันนี้เหตุให้เกิดทุกข์ท้ามกลางค่านิยมน่มันเข้าใจผิดรักษาตัวประพฤติตัวเมื่ออยู่ในขอบเขตความถูกต้องดีงามมันจะเป็นเหตุให้เกิดความสงอบอบอุ่นในชีวิตใดยังไง ถ้าไม่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมแม้แต่งการแต่งงานกันแล้วฟังได้ยุคนี้แต่หมายเนี่ยมากขนาดไหนผู้ชายไปมีจิตหมายถึงอะไรจิก๊กตผู้หญิงไปมีจิตหมายถึงอะไรจิก๊กไปมีค่านิยมอะไรอย่างนั้น มันจะเกิดความรักความอบอุ่นกันได้ในในชีวิตที่มีความรักกันนั่นเอีความรุนแรงเลวหลของบ้าตัณหาก า, มมารมมรณาอารมณ์เพศนี่นะฉะนั้นให้มีการมาเรียนมาศึกษาสะสมความดีของความเป็นมนุษย์อยู่ยังไงตังจะมีความสงอบอบอุ่นอ ย, ยู่ยังไงที่มีความสุข ก, กายสบายใจรู้ยังไงเหตุได้เกิดทุก เหฮ่จะเกิดทุกข์เราจะระวังรักษาอย่างไงดี mm hmm. ยอย่างไร mm hmm. เลี่ยงอย่างไ mm hmm. เดกตรงไหนเลี mm ่ยงตรงไหนมันไม่เหมือนข้านิยมแบบทพร่ร่กทุกวันนี่นะมันดูไม่ได้ข้านิยมทุกวันเนี่ยเป็ปัญหามันเกิดขึ้นสมัยมันจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นได้ยังไงอะลักษณะของศีลมัน ม, มันไม่มีในจิตญาเลยศีลคือความเรียบร้อย การนุ่งการห่มเรียบร้อยดูด้วยการนุ่งเรียบร้อยไหมเอาตัางอะไรใน น, น, น, นนุ่งรัศดรานั้นไปอวดอะไรกันเปิดตรงนั้นให้ผู้ชายเห็นมันจะต่างกันเลยกับหมาหิวไปเห็นอาหาร คนยังไม่ได้ให้มันแล้วหมาเนี่ยหิวอาหารเรถือว่าอย่าอย่าเพิ่งไปให้มันนะผม ม, มองเห็นมันจะมองเห็นเฉยๆมองดูเฉยๆได้ยังไงอะ่ะมันก็อยากน้ําไหลก็ไหลน้ลลําลายมันก็ไหลเห็นไหมเพราะไม่เห็นอาหารมันอันนี้การนุ่งทุกวันนี้ผู้หญิงนะ ท้า ไ, ไม่ไปนึกถึงความเป็นธรรมชาติแสดงว่าไม่ได้สนใจศึกษาที่ไปที่มาในเหตุในผลตรงนี้เลยสีลคือความเรียบดอยคำสอนของพระพุทธเจ้าทานสีลภาวนานนะมันไม่ไปโทษใครนะคือมันผิดจากหลักคำสอนผิดจากหลักความถูกต้องสินทาทางุทิศาสำน่ายผู้เจอทานสีลภาวนาน ทานจาฆ่าสละในสิ่งที่มันจะเป็นทุกข์เป็นโทษมากับตัวเองยุ่งอม่าไปยุ่งมันสละปล่อยทิ้งเลีกเลี่ยงอันใดมันจะเป็นทุกข์เป็นโทษกับตัวเองอันใดมันผิดขนกธรรมเนียมไปเป็นอีต้องรู้จักรักษาลักษณะนั้นเสนีเนี่ย เีนคือความเรียบร้อยกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยกายเรียบร้อยก็เหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าแม่ขาวนางทีเอาคุณพ่แม่ขาวนางทีจะคนหนึ่งหลวงปู่หลวงปู่ดิฉันจะเปลี่ยนชดุดจะกชดุดให้เป็นชุดที่ทันสมัย เ, เปลี่ยนยังไงเ่อคุณ ก็ผ้าหนุ่งผ้าถุงนะ่ะจะตัดเป็นชุดบีจีนี้หลวงปู่จะให้อยู่หรืเปลาเนหลวงปู่จะให้อยู่ไหมหรือครูบาผ้าสององเวียนเหมือนกันแหละผ้าตะวงผมจะไปขอตัดเป็นทรงบีจีนี้หลวงปู่จะให้อยู่ในวัดนี้ไหม หลวงปู่จะถามก่อนว่าก่อนจะให้ตัดนะโอ้ยเราสงสารไอโบไอตู่สงสารมันทำไมอ่ะถ้าไปตัดนุ่งแบบนั้นไปอ้วกจะอ้างมันจะว่าหมาพันใหม่เกิดขึ้นแล้วหมาพันใหม่เกิดขึ้นแล้วจะอยู่กับหลวงปู่ไม่ได้มันไม่ใช่ว่าพระนั่นแหะมันจะว่าหมาพันใหม่มันจะว่าแม่เมขาวนางขีนมันจะว่าหมาพันใหม่มเกิดขึ้นนั่นแหะ ไปอวดไปอ้างในสิ่งที่ไม่ควดเห็นไม่มาในเพศก็มันไม่เอาอะไรปิดเนนี่มนุษย์คนเราเก็เหลือเกินสิ่งที่ควรปกปิดสิ่งที่ควรทะนุถนอมมันไม่สนใจออกมาอวดมาอ้างกันมันก็เหลือเกิน ฉะนั้นจะให้มีความสองบอ บ, อ, บอุ่นในชีวิตได้ยอย่างไรมนุษย์คนเราทุกชาติทุกวันนะทุกเพศทุกวัยนั่นะนี่แต่เรื่องมีแต่รามีแต่ปัญหาทุกกายทุกใจฟังเรื่องฝึกท่างจิตใจดีกว่าฝึกนั่งสมาธิทางจิตใจดีกว่าเอา้า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 พอใจของเราถ้าขาดสมาธิขาดน้อยคุณภาพของจิตใจก็หมดไปน้อยถ้าขาดมากคุณภาพของจิตใจก็หมดไปมากฉะนั้นมีการตั้งใจขึ้นมา ตั้งส ต, ติขึ้นมาใจคือธาตุรู้เรานึกในขณะ น, น, นี้นึกฝึกให้ดูตั ว, ว เ, ออเขาว่าตั้งใจเราทำอย่างนี้นึกอย่างนี้ตั้งสติต ตาติคือเครื่องหรือกโลรูล้ตัวอยู่ในขนาะนี้ว่าเรานั่งฝึกสมาธิการรู้ตัวจะนี่เราจะรู้ในลักษณะ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 ใจมันจะเมร่อยเคิดไปตามเรื่องถ้าเรื่องวุ่นวายมากๆกิลยามารยาสการตั้งใจตั้งตติมันจะตั้งไม่ได้อยู่เฉยอยู่นิ่งไม่ได้ให้สังเกตบางครั้งบางข่าวหรือบางคน ถ้าจิตใจเขามีปัญหามากเขาจะอยู่ไม่เป็นปกติจิริยามารยาทถึงจะนั่งกระชิดมือลอยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองข้างบนมองข้างล่างอันนั้นแสดงว่าใจลอยสติลอย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 ตรงนี้น่าห่วงถ้าเรามาตั้งใจตั้งสติฟังพิจรารณาเราจะเห็นความบกพ่องการไม่ได้ตั้งใจตั้งสติเราจะเห็นความบกพ่องการไม่ได้ฝึกสมาธิหรือจิตใจไม่เป็นสมาธิ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 มีแต่เตเป็นเครื่องระลึกโลกใจคือธาตุโลกส่วนความนึกความคิดในขณะที่เราฝึกนั่งสมาธิใครเลิกใครละความนึกความคิดอืนอ่น เสงมีปัญหาสําหรับผู้มาฟังใหม่ฝึกใหม่สําหรับการฝึกนั่งสมาธิฟังต่อทีเนี่สมาธิคือความตั้งใจมัน่นสมาธิคือความสงบ สงบจากอารมณ์ที่มันมีปัญหาทางจิตใจนั่นเองปัญหาจะมากจะน้อยไม่มีวิธีอื่นจะบรรเทาเบ า, บาบางให้มันออกจากจิตใจได้นอกจากเรามาฝึกเข้าหาคุ ณ, ณธรรมคือสมาธิสติธรรมคุ ณ, ณธรรมคือสติธรรมสมาธิธรรม ฉะนั้นนอกจากคุ ณ, ณธรรมจิตธรรมสมาธิธรร ม, มนี่อะไรเป็นพื้นฐานเอาลักษณะของสินเป็นพื้นฐานสินรรมสมาธิศินรรมสนรรมาธิที่พวกเราพูดนะ่นนะสินคืออารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้ อ, รอยหมายถึงว่าอารมณ์ของใจโดยเฉพาะในขณะนี้ หรือททุกขณะกลางวันกลางเกอนเยือนเดินนั่งนอนโดยเฉพาะในขณะนี้ดูอารมณ์ดีถ้าเผื่อมันอารมณ์ยังไม่เรียบร้อยอารมณ์ยังไม่ดีอันนั้นมันไปตามอารมณ์ของกิเลสโลภโกรธหลงตัณหาแล้ว ฉะนั้นปัจจุบันนาเหตุปัจจุบันนาผลในขณะที่เรานั่งฝึกนั่งฝึกใจคือนั่งฝึกอารมณ์ของใจของเราให้เข้าสู่ในลักษณะของศีลของสมาธิศีลอารมณ์เรียบร้อยเอออารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยเป็นอย่างนี้นอกจากอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยแล้วศีลคือความปกติใจ ใจดีใจเป็นปกติถ้าเราเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันพอนึกได้ในใจของเราอยู่ก็แสดงว่าภายในจิตใจของพวกเรายังพอมีลักษณะของศินของธรรมไว้ให้พวกเราได้มาเรียนดูได้มาทบทวนเข้าหาทบทวนเข้าถึง เมื่อถึงอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยอารมณ์เป็นปกติเราก็จะได้ใช้อารมณ์อันนั่ น, นเนี่ยพกขณะจิตทุกอริยบทเยินเดินดังนอนเว้นไว้จะนอนหลับถ้าอารมณ์ดีอารมณ์เป็นปกตินอนหลับก็มีความสุขความสบายมันต่อเนื่องลักษณะนั้น ฉะนั้นเมื่ออารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยอารมณ์เป็นปกติตใช้คำภาวนาพุทธโทรธธรรมโมสังโฆพุทธโทรธธรรมโมสังโฆพุทธโทรธธรรมโมสังโฆเข้ามาเป็นส่วนประกอบให้ใจของพวกเราอยู่กับอารมณ์ดีอารมณ์เป็นปกติอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง จึงใช้คำบริกรรมพุทธพุทธเป็นหลักถ้าเผื่อพวกเราไม่มีหลักใจลักษณะนี้อารมณ์เรื่องไม่ใช่เรื่องมันจะแทกขึ้นมาได้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนนั่นเองจากนั้นอารมณ์ของศีลของธรรมสติธรรมจมมาที่ธรรม จึงเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับพวกเราที่จะเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเป็นความจําเป็นสําหรับพวกเราทุกกันทุกองค์ทุกค น, กคนจะนํามาเป็นระบบควบคุมคุ้มครองปกป้องใจของพวกเราให้มีความสงบอบอุ่นด น, นอารมณ์ของศีลของธรรมนี่จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้เอาอารมณ์ของสิ่งของธรรมมาเป็นระบบควบคุมอารมณ์ของกิเลสโลภผลหลงตัณหานั่ยนะมันก็จะฟุ้งมีความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งวันทั้งคืนนี่ยนะฉะนั้นความเป็นทุกข์มันจึงไม่เคยเหินห่างจากร่างกายจิตใจของพวกเราไม่มากก็จ้องน้อยแต่จึงจะมากจะน้อยพวกเราไม่ต้องการเมื่อไม่ต้องการมีทางเดียวแต่ หันหน้าเข้ามาสู่หลักศีลธรรมโดยเฉพาะสถานที่ปฏิบัติสถานที่ปฏิบัติของพวกเราวัดอย่างวัดของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมีแต่ลักษณะของศีลของสมาธิสติปัญญาเป็นเครื่องแสดงออกลักษณะของสมาธิสมาธิคือความสงบเดี๋ยวนี้ไม่นี่สิไม่มีเสียงอะไร เสียงร้องรำทำเพลงก็ไม่มีไม่ใชเสียงธรรมะสอนจิตสอนใจก็แสดงว่าเราอยู่ในท่ามกลางของความสงบความสงบอันนี้ที่เนี่ยใหามันมีทางใจของเราด้วยอย่าจะให้มันมีแต่ทางนอกสถานที่เราอยู่ทางใจของเราเนี่ยให้มีความสงบสงบก็อย่างว่านะเรานึกพุโทโธธรรมโมสังโฆนึกพุโทโธพุธโทโธ มีแต่ติดจะเลืกรู้ดูใจของพวกเราให้รู้อยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอย่าไปคิดเรื่องกังวลอันเืินถ้าเรื่องอันเดินไปเชดไปปล่อยวางทั้งหมดอย่านํามาคช็ดอันนี้คือการฝึกให้ใจของพวกเราอยู่กับพุทโธเพื่อเป็นสมาธิเป็นสมาธิก็เพื่อให้เอาสมาธิเป็นระบบควบคุมอารมณ์ของกิเลสตัณหา เพื่อจะให้จิตใจของพวกเรามีความสงบสุกมีความสุกความสบายจิตใจเป็นอิสระนั่นเด่นทางเข้าใจเอาจะนี้จะมาได้ที่บายแล้วทุกท่านทุกองทุกคนอยู่กับความสงบนึกพุโทธโธพุทโธจนได้เวลาพอจำควรต่อไปกัเนี่ยการฝึกนั่งสมาธิ ผลความดีเกิดขึ้นให้พวกเราเข้าใจอันดับแรกผลความดีคือฝึกกำลังใจให้ใจของเรามีกำลังหนักแน่นกับหน้าที่ของพวกเราเดี๋ยวนี้พวกเรามีหน้าที่นั่งฝึกสมาธิบริกรรมพุทโธถ้าไม่ได้เวลาพวกเราไม่ยอมบอก นิสัยฝึกความหนักแน่นตั้งมั่นกับการงานของพวกเรามีงานอะไรทุกอย่างนั่นแหละจะได้ใช้นิสัยอันนี้ที่ว่าฝึกกำลังใจให้มีความหนักแน่นรับผิดชอบกับการงานกลายเป็นนิสัยที่ดีอันที่สอง <c oughs> มาเรียนรู้ร่างกายของมนุษย์คนเรา โดยเฉพาะร่างกายของเราเนี่ยแหละเราเนื้อเราคิตใหม่ร่างกายของเราในขณะที่เรานั่งอยู่เป็นปกติสบายสบายเนี่ยมันอยู่เป็นปกติมันแสดงความเป็นปกติออกแสดงความสบายออกเหมือนเราเนื้อเราคิดใหม่ตามแข้งตามขาตามหลังตามเบล มันแสดงอะไรออกมันแสดงความเป็นทุกข์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์คนเราอันนี้ทุกข์เกิดขึ้นจากธรรมชาติในร่างกายมนุษย์คนเราไม่มีใครที่จะเลีเ่ยงได้เจติต น, นี่สิ่งที่ควรหลีกควรเลี่ยงยาให้มันเป็นผลของความชั่วเท่านั้นเอง ผลของการกระทำมันผิดเผดลักษณะของศีลของธรรมเมื่อผิดแล้วมันก็กลายมาเป็นทุกข์ทางกายทางใจอย่างที่ว่าให้ฟังแต่ฉะนั้นควรไหมที่นเนี่ยพวกเราจะไปทำในสิ่งที่มันผิดเพื่อให้เกิดเป็นบาปเป็นกรรมเกิดความทุกข์ยากลาบากากรรมมากขึ้นไปกว่านี้ให้มาเรียนรู้ เรื่องศีลเรื่องธรรมเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของพวกเราที่เป็นสมบัติล้ำค่าบุญพาพวกเรามาเกิดเราควรจะรักษาเราอย่างไงเราควรจะปกป้องสมบัติความดีเราอย่างไรดังนั้นนะเมื่อเรียนรู้ลักษณะนี้แล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นระบบควบคุมปกป้องสมบัติความดีของเราได้เท่าลักษณะของศีลธรรม ผ่านเข้าใจความหมายการฟังการฝุดสวนเนียนว่าพอสำควรเจวเวลาเดิมเปลี่ยนในบทคลมไขของเราที่พวงยอมเดิมไปก่อน <c oughs>